ให้แม่นะาบกราบครับแล้วขณะจะยลูกนกถึงพระพุทธเจ้าเมื่ก่อนปูกนะลูกแล้วก็ไม่ถือพระเจ้าเบกพุทเปเชือกรัดคอเพรา็ดินตายยังไงในปสวรรค์แน่นอนโอ้ยคิดจะตายแบบไหนก็ได้แต่ถ้าภาวนาพุทโธไปสวรรค์ได้แน่ได้แน่โอ้สะดวกหน่อยอย่างนี้บางทีผัวเมียทะเลาะกันเออขายเชือกไหมเชือกอะไรไม่รู้เชือกผูกก็ตายไหนอะเชื่องยานขายดิ เอาเชื้อเงื่อนเชื่อพุทโธรับรับประกันด้วยรับกันแล้วพอตายไม้เชื่อตอนนี้ไม่ไม่ลงว่าเลยโรคแม่รู้ไม่ลคตัวว่าไม่ได้การที่หลวงพ่อคะหนูตอนแมวตอนหมาให้เป็นหมันอย่างนี้จะบาปไหมคะไม่บาปแม่ทําไมครับก็หนูไปตอนแมวเลยหนูไป ไม่บากปฏิชานีก็ไม่ไดกโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนี่มน่คนถามนะ่หนูคนแล้เลีงหนูคนถามเขาบอกว่หนูไม่ตอนแมวใช่ไหมอนตอนไอ้หนูก็ไม่กล้าเลยนะแว่มาไปตอนแมวได้เพาะว่าตัวเล็กนี่บางครั้อ้ก็ยจะช่วยอะไรกชี้ได้นะกอ ไอ้การกินตอนแมวตอนหมานี่ในสารส่วนเคราะห์ครับท่านจักโทษเลยนะเออมีโทษมีหมากมัม้งนะถ้าตอนสัต์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ถูกทาลายพิษไปเวิดมาเป็นคนถูกตานี่ยราสมัยนี้ตายเยมากๆเลยเคยเคตอนสัตว์เหมือนกันไหมน่ะใช่ เ, เ, เป็น เ, เป็ น, เ ป, นเป็นหมากมนนะครับก็ เมบาดปืก็ตัตว์มันรู้ว่าให้ใจมันนีの心の心่มันเจ็บวะมันเจ็บอ๋อแล้วทีนี้หนูเห็นว่ามีลูกมากแล้วเลยตอนสามมีอย่างนี้เดี๋ยวเราไปไล่ไปไล่ไปไล่ห่อห่อห่อทีหนมีมาเ้อสามมีตอนสามที่นที่ เป็ไไนไรแล้วเขาไม่มี <laughs> <c oughs> อะไรให้เขายอมให้ตอนครับือว่าสัตว์จะมาไม่ยอมให้เราตอน เราบังคัดการตอนเขาคือฟ้ามีเกม่ไ้เห็นมีรูกเม่าเล่นไม่ไหวเลยตอนมาตอนต้องตกลงไม่เป็นไรนี่เป็นมหาบุญสนนะเป็นมหาบุญสนครบครัครับแล้วไอ้ฟ้ามีเนี่ยเขยจตอนเคยตอนสัตว์มันไม่ใก่อนแน่ถึงถูกตอนชาตินี้ควอมคิดเป็นกรรมเก่าไปเลยนะย้อนชาติน้ไม่เคยตอนสัตว์ชาตินี้ไม่เคยถูกตอนอ๋อหลอดได้ถ้าไม่วตาก็น่ากลัดีว่ายตอนใช่ เออไปอย่างนี้เจ้าค่ะมีคนอื่นชอบทําให้ดิฉันเป็นทุกข์บ่อยๆว่าวเรียดสีกระแทกแดกดันเป็นต้นเอาเลายอย่ครับมันคบกันข้าบ้านนะใช่ใช่ดิฉันก็พยายามพยายามถวายสังฆทานบ้างขอทิพย์ส่วนกุศลไปให้นานๆจะหายกระแทกแดกดันไม่เจ้าคะเอ่ไปท้อาหาย กดทนไว้ก่อนนะครับครับเ่อไม่ชช่ก็หาไม่แช่เยนนั้นก็ตายอ๋ออ๋ อ, ออ๋อรอยกว่า น, นั้นตายก่อนเ น, นี่วไ่ยาวไหมถ้าหาว่าถรายชนะทานตั้งจิตจกุศลที่จริงพิสุทธิสุขสให้ๆๆะะให้นี่พงังจริงจริงนะสมัยเป็นยังไงทนแก่นี่ยพังจริงจรนี่เป็นไปได้ไมครับผเป็นไปไดเยอะแล้ว อ, อถ้าเวา้าจิตให้พิสุทิ์สุนให้ถ้ายังคืนทำอยู่ไม่แชานัก ถ้าบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยัซทงตัอยู่ได้ถ้าบุญเก่าต อ, อ, องกำลังลงมาลอยพับมันนั่นแหละเอ๊ยงั้นป้าผมนี่สงสัยจะได้ผล น, นะ่ะทาไมเลยคนข้างบ้านไม่ถูกก็แกแกก็ไปใส่บาตเสร็จแล้วแกก็บอกทุทธังบาลายยะจักขังบาลายยะขังข้างบาลายะจกัจกเนี่ยทำไมอ้าวเพราะบาลายจริงเลยครับแค่บาลายป้าผมแล้ว เย้าไม่ใช่แค่เ่าย<อ>ไม่แ่หนุ่มพระธรรมมุสุ่มทางเลยจากพระพุทธเจ้าเปนไรคุามางเลยจากพระบิดาเป็นไรคุ้มทางเลยจากพระสงฆ์็ไ ร, ไ, ไรแกก็เะไรดิ<อ>เกียวจิงหน้าเราพวกเราออกี่คว่ำไอ้ที่สงฆ์ไม่ตามมาเนี่ยนะไอ้ที่ตระราชาได้จริงๆนิงราบทราบแต่ว่าหาวว่าคนนั้นยังไม่เลิกเป็นศัตรูาราบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัว อ, อยู่ได้ อบุญเก่าอ่อนกำลังเล้ม อ, อะไรก็ยังเลๆที่สุดคืออมพาตครับดิฉันไปตามวัดบางแห่งเห็นมะละกอขนุน ม, มาม่วงมันสุกก็รลยหยิบเอามากิน <c oughs> นึกได้ว่าเป็นของสงฆ์แต่มันลงท้องอยลยก็แล้วเดี๋ยวหยิจริงดี๋ยวหิบ <c oughs> อย่างนี้ดิฉันจะทำยังไงดีเจ้าคะ่ะ <c oughs> ลงทองเวลาหลวงพ่อนะนี่ยังมีการจ่ายคืนได้ไหมทำยังไงหลวงพ่อครับเวลาทายอจาระมาดเอาจาระก็คืนบัอให้กำไรอุจาระไม่อเจ้าพ่อถนนอย่างเดียวข้าวปลามีเสร็จอ๋อบวกไปนะเหร้ำแผลอไอ้นี้ก็ชาระหนี้สงช่าระหนี้สงฆ์นี้สงฆ์นี้พอตังพอไว้พระดูว่าขนมนามาเท่าไหร่ครับเพราะว่าขนมมันหนึ่งลูกลูกราคาเท่าไหร่ใช่ไ คตัวเรือวาเอากระตังเท่านั้นไปถวายพระบทฉันขอยยมละนี่สมว่าอุลนัทไปกินแค่นั้นก็หมดเรื่องหอมเรียวไทยมีสมไปได้สมไปเลยครับกหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันเอาเงินในบาทวิละทโยไปเล่นหวยจำไม่ได้ว่าเอาไปที่กัน อย่างนี้จะทํายังไงดีครับเล่นต่อไป <laughs> แ, อแล้วว่าที่หนึ่งได้แบ่งคึ่งออกมาเอาไปก็ไม่รู้กี่คราไปเอาบ่อยนะเจ้าเอาไปข่านจําไม่ได้บ้างแล้ว น, นะนี้ผมอดีตผนะแต่ความจริงอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นขโมยนะครับเราคิดว่าเราจะถวายพระแต่ยังไม่ถึงพระพระยังไม่รับบัพติศมใช่ไหม แงนินงนั่ิตขเราอยู่ยังไม่ถือว็ขโมยหรอกล้วเเสียศักดิไปหน่อยอัลลาดจะมามถึงตอนลาดลาดถุงตอนออย่างนี้ก็ต้องพยายามใช้ใช้มีสงอย่างาำลาังก็ไม่ถึงใครของสงฆ์นี่ก็เยอะแล้วยังไม่รับประกันมยังไม่ถือว่าเป็นใรขสงฆ์อ๋อไงคันดีใครมีบาปนีลนะโยขัดข้องก็อาไอนได้นะเอาเอาเงินปดไล่าบ้างใส่แทน เอามีอย่างนี้ด้วาทำไ้เขาจริงเ้าไม่เป็นไรยังไม่ถือว่าครับาปความจริงออกไปก็จบเดยวก็โจไป้จบยอดไปจบยดอดถ้าเราเมื่อไรเกก็มามาชำระทื่นเรืร่องไปตอนนี้กรสบ า, ายใจครั้งหนึ่งเดชนันนั่งมโนมยิทธิไปที่พระนิพานเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่บนดอกบัว ไม่ทราบว่าอย่างนี้จะเป็นการปรามาสหรือไม่โจกค่ะเดี๋ยวกันเห็นท่าตัวเองนั่งบนดูวยนั่งผ่าหรือเปล่าโอการนั่งมีหลายท่านิยมท่าท่านั่งไม่ดุ่งผ้าบาปน้อยเ้ราะนหนักน้อยลงอนุ่งผ้าผ้ามันหนักมากบาปมากบาปมากไหมะแต่ความจริงไม่บาปนหเที่ว่าก็บาปนหมขาดขา การเห็นภาพตนโดยนั่งที่ไหนก็ตามว่าจิตขณะนั้นมันไม่มีกิเลสแล้วแต่เพาเวลานั้นนะถ้าขนาดใบถ้าประจิตไปถึนิพพานมันก็ซิ่งกิเลสไม่มีแต่ตอนนั้นหนึ่ไปได้นั่นถือว่าบุญใหญ่จะโดยนั่งที่ไหนมันเป็นเรื่องบุญเพรว่าเคยสร้างมาไม่เป็นไร อ, อ๋อทราบหลังนี่แสดงว่าคนนี้ดีมากดีมีมากดีมา ก, มมาก ถ้ามาทานี่ดีนะควรจะทำอย่างไรไงก่อนจาไปเชื่ <c oughs> อพาทุกคนไหว้ย่างตามนี้นะหรืใครเปิดประตูเจอขึ้นมาฐ า, ศานแท้เหรอมีอะไรต่อไปไหมหมือนเวลา20นาทีอ่ามีอาชีพในการส่งมูเป็นเป็นไปขายในต่างประเทศเพื่อเป็นอาหารดิฉันแนะนำว่าอย่าทำเลยมันบาป แกก็บอกว่าโอูกินบ้างถวายพระบ้างอยูหว่าเลยอย่างนี้อยากจะเรียนทราบว่าบาปกับุญนี่จะเท่ากันหรือไม่แล้วเวลาตายจะได้รับผลเป็นประการใดเดี๋ยวไปนพระไทยหรือบาตรพิธีไอไว้อ่ะสงสัยพระคงจะได้เหนือกว่า <c oughs> ก็ไม่เท่วันนี่วัตถ <c oughs> ุไม่บริสุทธิ์โ <c oughs> อ้เจนะริญนะราปบาถ้าบุญจะได้มากมนึ่งพื่ให้บริสุทธิ์ สองภูรัตบริสุทธ so ิ์สามวัตถุบริสุทธิ์ย่ยัม่บสธ์มากใ่ไหมครัอันนี้ผู้ใหเอาสัตเป็นไขายในผู้ใหไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแล้วเอาปเอาผักไชยไปตววายร็ผัจไชยยันไม่บริสุทธิ์แล้วผักภูรัตบริสุทธิ์ก็ต่าอยูงไม่แน่โอ้่าพระบริสุทธ์ก็คือเรื่องได้หนึ่งในสามครับใช่ไหมท่าระไม่บริสุทธิ์และทังเลย าพระบริสุทธิ์ไม่แล้วเมต้อตอานึงทวายทาี่สมาทานเลยโอตัดปัญหาไปเลยนะถ้าท ว, วารนี้สทานทา้นรานแบบแพระจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็ตามอาศัยมรรุญแบบเพราว่าพระผัวไปใช้ไปกินนั่นแหละอาจจะลงมารกกัดเรื่องท่านไ<อ> ม, ม่ต<อ>้องห่วงนะครับครับการสวดพระพุทธมนต์และวิระสยโยเสียงดังดังกับภาวนาในใจเงียบเงียบ อย่างนี้จะมีผลเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันแน่นอนเอยืนยันแล้วจะ ต, ต่างกันยังไงคุณพอต่างกันได้สุดบางๆหนุ่ยมากลูก <c oughs> ในใจหน่ยน้อยแต่ว่ามีสงฆ์ในเครือราการพอใจนะทาเรกสดในใจใจมันไม่สบายจิตใจไม่แม่งคงทารกสุดันบางจิตใจทารก็สุดมันบางดีกว่า แต่ว่านิดในใจจิตใ จ, ใจมั่นคงกว่าก็สดในใจดีสาเออครับเอาให้ความสบายใจเป็นสำคัญนะแล้วโซ่ให้ดังมากเกินไปนะดังมากเกินไปเดี๋ยวเสียงไัยนอกมาอ๋อมมทำไมเราทำเพราะถ้าไม่เสียงเบาเราเสียงวุ้นออ๋ออันนี้สงตามนะใช่ <c oughs> ส ม, ม่ำครับเออไปน้ำตาบพอดีแล้วีันนะพอดีพดีดีกครับนัง่งสมาธิพระกรรมฐาน ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรหนึ่งนาทีปั้งหนึ่งนาทีปั้งและหนึ่งนาทีปั้งไอ้ปั้งม่นบ อ, อ, อะไราเราสมพวกอย่างว่ามันขาบ <c oughs> ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรออนั่งคืนต่อๆไปก็ <c oughs> หนึ่งนาทีปั้ง <c oughs> หนึ่งนาทีปั้ง <c oughs> อันนี้เป็นเพราะอะไรครัก <c oughs> แหมวันนี้อร่อยเลยอันนี้อันนี้นนฉันเคโดนเหมือนกัน เออพระเคยเดินมาเหรอครับเคยเดินบนันไม่ตังคังค์ั้นังมากเหมือนเสียงผุเลยโอ้ยยังเรียกว่า้าติอินเสียงแบบนั้นนะเวลานั้นจิตรู้ปัจจารสมาธิขรับนะถ้าจิตรุ้ปจารสมาธิสูงมากจดงชัดมากอุปจารสมาธิน้อยก็ดีชัดน้อยครับเพราะถ้าจิตรุปจารสมาธิเนี่ยเวลานั้นจิตมีรควิมสุอ ถ้าในเมื่อจิตมีอารมณิพสามารถยินเสียงที่เป็นทิพได้ไอตัวปังปงเนี่ยเขาพิสูจนเรา่แน่หรือไม่แน่เป็นมากเป็นเป็นเทาช่นจ้าตุภราชควรภูมิใจในความดีของตัวเนเออปังมีปังดีนีปังดีแต่ปังวุิปังไม่ดี่แก้ไขต่อไปในขณะที่กาลังนอนตัวอยู่ ก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์บังเอิญหมาแมวกัดกันฉันก็ด่าไปว่าไอ้ที่หายตาหงส์กำลังจะไปนิพพานเพื่อขัดกออยู่ได้สมมติว่าตายไปในขณะนั้นจะไปยังไงเจ้าคะเฮการปว่าตายลงเน่ยแบบนั้นก็ถือเป็นการระบายโทสะออกจะไปนิพพานก็ได้นะ พออาจะนะเอาอาจะนะเพราะว่าถ้าเมื่อแหร่จริงๆถ้าตายเวลานั้นนมรรแน่ จ, จิตเศร้าหมองจิตเตสังนเทศุกติสาดิสังขารซาดิสังขารก่อนจะตายถ้าจิตเศร้าหมองแล้วตายเวลานั้นไปบายพูนทันทีหรือหลังหมาม า, าไก่ไก่ไม่นยตามที่ชอบตามที่ชอบนะลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปนิทานจ้าอ๋อพูดกันที่ดีไงที่ดี เราจะได้ไปไปดีๆงั้นหรืดีดใช่พ่อแม่ของพโยคาวจอนจะได้อานิสงส์เหมือนกับเราบรวชคนอื่นไหมคะออนี้บวชคนอื่นอานิสงส์จะเหมือนกับลูกตัวเองหรือเปล่านี่เนี่ยพ่อแม่พระโยภาวจอนคาไหนกันไหมลูกเนี่ย ถ้าคำว่วประโยคน์่าจารนี่ก็หมายถึงคนเจริญธรรมฐานในญากโยมนะกาพระที่บวชธรรมดาธรรมดาท่านไม่ได้ประโยคน์่าววิจารเพราาณโยมที่นั่งทุกคนเนี่ยถ้าเป็นนักเจริญรรมฐานท่านได้ประโยคนาจารทั้งหมดครับนะพอเร่มทำสมาธิพอจิตระณิวอนได้พอควพระพุทธเจ้าทรงเรียกร่าเริ่มเป็นพระพราว่าพระในเบื้องพะบุตรใช่ครับทั้งผูหญิงพระบุชายที่นั่งที่นี่ ข้าพอใจในการเจริญสมถะกร ร, รมฐ า, ม า, า, มานนิพพานากรรมฐานอันนั้นพระุท ธ, ธเจ้าสรุปประโยคน่าวจรเลยนะคราบวนี้ทา่านเขาจะหมายการลูกเขาทา่านบวชใช่ไหมคราบแล้วก็ลูกท่านบวชพาลูกเรียกเรื่องปรโยชน์ขาวจรก็มาดวยลูกเนี่ยเป็าพระที่เจริญกรรมฐานคราบแต่ความจริงจะเจริญหรืไม่เจริญก็ตามถ้าบวชลูกของเรากะบวชลูกคนอื่นอุทิศไม่เท่ากันหรอก บวรลูกคนอื่นถ้าเราเป็นญาตาภาพมีสง็นิวดานดุสสงกับถ้าแค่เราช่วยเฉยๆถ้ามีงานบวชพระกันเราช่วยเ้าบาทสิบาทเท่าหลังเ็นปที่ห้าจุดแปงไหรับครับตอนี้ดุสสงเท่าไหร่กับถ้าบวรลูกเราเองมีสงสามสิบกับมันต่างกันแล้วก็ถ้าบวรลูกคนอื่นใจเราต้องโมทนาถ้าเราดนดีได้่องอะไรสงก็ไม่ได้ถ้าลูกขอเราไปบวชที่ไหนก็ตามเรารู้หรือไม่รู้ก็ตาม เขาบวชแล้วราได้แทนที อ, อ๋อทำไมรูปหลวงปู่ปานวัดบานงนำโพจึงมีหนวดเจ้าค่ะ อ, อ๋อลูกนี่เป็นลูกถ่า ย, ยเอ้อพี่หลังข้างหลังฉันนั่นไม่มีหนวดนี่ี <c oughs> ออจะวัดเดียวหรือเปล่าน่ า, ากลัวคนลนวัดนะองเดี๋ยวก่อนเคยเห็นภาพร้อย ป, ปีที่เขาถ่ายออกมาที่เขาติดมานะครครับ แล้ว่าสงสัยเหมือนกันว่าทาไมจึงมีหนวดยาวแล้วเคยอยู่ว่าท่านมาไม่เคยเห็นท่านมีหนวดเอ้อส ม, มัยหลวพ่ออยู่ไม่น้อยไม่มีไม่มีไม่รู้บาลนี่จะเส้นคัดจะมีไหนมากเพราะว่ามีรดเอาไว้ยาวเกินไปเลยเนื้อมาจังตัดทันทีเพ<อ>ราะว่าพระเจ้าเป็นแบบแบบนั้นจึงน่าจะเป็นโทษใช่ไหมราบราบและโดยการอุสังหนวดเนี่ยต้องคนพร้อมกับผม ตะวินัยใช่ไหมรั บ, บว่าถ้าลงผมเมื่อไรก็ต้องกกนหมดไวามนันเมื่อก่อนในสิบห้าวันขูทีโนจะยาวได้ไงจะรูเดือนแต่คาจริงใ้การลนผมต้กําหนดไว้ว่าหนึ่งผมยาวไม่เกินสองนิ้วต้องโกนถ้าจะเกินสองนิ้นนะคราบกระบวนการในสองถ้าผมยาวไม่ถึงสองนิ้วจ ถ, ถึงสองเดือนต้องโกนใช่หรับอภาพนั่ น, นจะเด น, นี้ก็แปลกใจแลยกาทำไมจะมีหน่วย รู้ว่าช่างจะมาเขียนเติมที่หลังหรี้ว่าหนวดจะงอกมาเองได้คือหนวดจะงอกเวลาก็ถ่ายภาพเลยเราเป็นปฏิหารไี่เลยนะใช่ใช่ดูนักบานท่านโดยบริษัทนะดูไม่ดูจะบาดให้หนวดออกมาเลยเอาเลยเวลา13นาทีครับครับหนูใช้ขาถาอย่างนี้ได้ผลดีจุคขับเดิมทีก็ใช้ วีละถ้าโยวินโปรนะยังต่อมาเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อวีละถาวโลวิละโส น, นเพราะว่าหลวงพ่อยังเป็นๆอยู่เทีเ่าธรรมดาเดา้กค่ะโอ้จริงๆก็ไปช่วยได้นะข่าวสารเออเพราะเจีย ง, งพี่ชามีทายมืแล้วน่ะคืช่วยยากมันก็าเจียงแค่ต่อทายแล้วก็อยู่ไกลเด้วยไอ้เก่าไอ้เก่าเขาไม่ไม่ได้ทิ้งนี่อ๋อขก็ขึ้นมานิดนึงก็เหมือนกับโมโยทายะกับโมโทายะ ออมีอยะมียะเอแต่รสมัยก่อนในเรื่องจริงๆเขาเราปฏไิทานเนะี่ยแต่ความจริงมันเรื่องจริงคนที่เข้ามาบวชไม่รู้เรื่องสีใช่ไหมครับอาจารย์ให้ภาวนารามันมุงทายะพวนานี่ท่านเวลาอาจารย์ไปยืนบนยอดเขาก็ใต้รัดในกคายนะักขางลสองกิโลก็ลืมบวชในตัวทา้ายรอยรอยะละยยะกันไปละ เล่นล่ะนะ้าโมงทายะก็ให้ <c oughs> ว่าไปว่าไปเนี่ยอาหารที่ติดเสอไปหมดให้ว่านี้ในใจว่าถาน้โมงทายะทพระเจ้าจหา้ามพระองค์ในธาตุมีความ่งคันญหินออนี้อ่อนก็เลยอ่อนปากหินหินออกมุ่นรุ่นเลยกิกนได้อแล้วว่ามีรสอร่อยก็ตามมาว่าวถึสถึงในใจก็มาก็ลงองว่าน้โมงทายะเนี่ยมันก็พบว่าพระเจ้าขทำองค์เนี่ยพลาดพลาดวสามารถทำให้ห่อได้ไหมถ้าว่าท่านดีจริงเราก็อหอได้ ตัวนุกเท่านั้นก็นเราจะมาประกาศกมาลงทุกุติขึนผานพอดีกรับลใช่หมอ้ยเพระนว่าท่านจาวาดในท่านหลวงพา น, นอาจารย์เนี่ยถามว่าเออคุณไปภาวนาไดยังไงบอกผมบอกะายแล้วมาลงทายะครับอาจารย์รรตัวไนอะ้ผิดสีตัวครท่านก็เลยดีบอกคุณใช้ได้นะบงท า, ายะ เพราะว่าแม่มันเป็นเมียนะที่ฉันไส่เป็นตัวผู้เ็นเมียทายะตีตัวผู้เปเมียคือหลังทปานกลับมาภาวนาเมงุทายะจิตใจไม่แม่นคงหรือไม่มีผลตามนั้นต้องกลับไปว่าเมงุทายะใหม่อันนี้ก็เหมือนกันถ้ากําลังใจเข้าดีแล้วต้อใช้ตามนี้ตามเดิมจะเปลี่ยนไม่ได้ทำไมถ้าผไม่ดีูแลเราจะเปลี่ยนไหมเปิดเปิดอันใหม่ดีกว่าอันเก่าทําไงอ่ะแล้ว่าไม่ใช่ใหม่ที่เก่าอเก่าเขาแล่นใช่ไหม ว่าของเก่าไม่ได้เสียใจแต่าวมของเก่าทั้งหมดนะครับใช่ได้เวลาถวายสังฆทานจะไปนิมนต์พระที่วัดถ้าไม่นิมนต์สมพานท่านก็โกรธแล้วจะก้องนิมนต์สมภาก็เปลงว่าจะเป็นการเจาะจงอย่างนี้ดิฉันจะทำยังไงเจ้าขาก็ใส่บาตรหน้าบ้ายกับหมดเรื่องกอไม่ต้องนอิมนต์ิบานะ เพราว่าเราโยนใส่บาปหน้าบ้านเดิมๆสมัยานแท้อยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องปฏิบนพ้ามาอยุ่ ง, งล่ะไปเคย้วยมนมาเราโยนขนพันเน่ยเดี๋ยวต่างคนต่างบาปไหมครับคปับไม่มีมนท่านเองโกรธถ้าโกรธจะด่าเราเข้าล้วก็เลยโกรธขุ้นพันต่างคนต่างทำมารด้วยกันอ ไอ้กวาดิงการใส่บาตรที่เป็นสังฆทานแท้นะถ้าอุปสรรคมีแบบนั้นนะกราบๆเราใหญ่ทำอาหารนี่มันดียังไงก็ได้ตามใจเราชอบพระมาแล้วก็ใส่บาตรไปถ้านี่พอได้แล้วเอปนีนี่นีถวายหน้าบ้านก็ได้เหรถวายหน้าใบก็ได้ถวายหลังบ้านก็ได้ข้างซ้ายบ้านขวาบ้านได้หมดไปถึงบ้านก็ได้โอ้ยังนั้นทั้งหมดใช่เราดูผลมันตกไปยืนได้ถุนพ้ามารับบาตรที่ได้ถึงใช่ใบเลยเปล่าคุนุกวาด ถ้าสังฆทานหนึ่งต้องไปสวยที่วัดหรือไม่ก็ต้องสวดาที่บ้าไม่จำเป็นไม่จเ ป, ปน็นทราบทเอาแค่าสบายๆบานะจะไปฝึกมโนมยิทธิที่ซอยสายลมหลายครั้งหลายหนแต่ก็มีอุปสรรคปัญหาทุกทีทุกทีอย่างนี้แสดงว่าเวรเก่าของดิฉันยังไม่หมดดีเจ้าคะเวรไม่มีนิจกรรมอ ไอ้กรร ม, มคือกรรมห่วงบ้านห่วงลูกบ้างห่วงหลานบ้างก<อ>็ถ้าเราพูดกันตามศัพท์ศา ส, สนาถือโอกาสยังไม่ถึง<อ>ทำไมเองนะไม่ว่าท่านาแพทยรามนุกโลก็ๅษีใช่ไหมอยู่ในสมัยพเจ้าไสามปีพระเจ้าเี่ว่าโอกาสที่เขาจะลมรรคผยังมม่มีทังเลยเวยเ่ถึงาราสามปีเขาพูดถึงว่าความดีสุดงามแล้วใช้ได้จะนเรียกมาสอน เขาบอกไม่รู้มากอลญาเยนที่ถามมันี่ก็เหมือนกันเข้าใจว่ากรรมที่เรารู้สึกเดิมบางอย่างมันนิชรนอยู่ที่ทาให้ไม่ว่างถ้าว่างอะไราได้มา น, นั้นแหละดิฉันเห็นพระวิสุทธิเทพที่หลวงพ่อสร้างวัดท้าวสมมีใส่ฉดงฉดาด้วยมโนคงว่าผู้หมดกิเลสแล้วน่าจะไม่มีเครื่องประดับประดาพัด สงสัยความคิดของดิฉันอย่างนี้จะผิกหรือถูกเจ้าคะความคิดมีถูกจะไม่ตรงตามความเป็นจริงทําไมเป็นงั้นนะสาวคิดแ่ไม่ต้องถูกแต่ว่าเปลี่ยนใจหวังว่าทําไมไอ้ชิดดาเดินทะุจากชิ ด, ดงมาดูหน่อยโอ้เช ด, ดงความจริงเล่นกันแบบกิเลสไม่ได้เกี่ยวเครือระดับใช่ไหม เพศตายความเป็นจริงก็โดยบายก็ดีเพอร์ดีฤกษ์รอริยเจ้าที่ปฏิภาณก็ดีเขาไม่ท่าปกติเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ดีท่านเรามีกิเลสมากเกินไปต้องหาความจริงให้พบต้องไปลุกทานให้ได้ซึ่งก่อนนั้นเรายังทราบความเป็นจริงว่าทําไมต้องมีเจดีด้ว ย, อยเอาใช่ไหมไหมทำไมพระเจ้าเทศไม่เหมือนกันเจ้าคะเรื่องวันมาพะบูชา วัดโนนบอกว่าพิษุชุมพันสองร้อยห้าสิบลูกวัดนี้บอกว่าสองพันห้าร้อยลูกไม่รู้ว่าจะเชื่อวัดไหนดีเจ้าข่าวอ่ามัจะเป็นหวยเชื่อโดสองวัดจะแหละแล้วทั้งล่างขึนบนอ่าไแม่ได้กเข้าล็อกแล้วอข้วล็อกเยเจ็ดนาทีเรียรัดใส่ตามตามเรย่องดอ่าพุนี้ครับเอเจ็ดนาทีเห็นจะพอล่ะ ก็เขาวันนี้หลวงพ่อวันนี้เขาถวายรถหงพ่อใช่ไหมใช่หลวงพ่เ่รถมาถวายรกการดีไม่ได้บอกพ่อจ่าให้จาไปเก็บแล้วรถอะ <c oughs> ไรรถกระบะใหญ่ไม่รถขงผมได้ที่สาหรับเข็นว้าดีดีดีดีดดมากดีมากนันเป็นสูตรขายพันเลยเอนนี้เป็นขายพานเลยเราเออครื่องรถอะไรรบั็มอ่าไปข้าวไปของก็เขมไม่มีสามอ้อ อันนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะท่านดูพอถ่ายตปโดนบ้านคนใช้รถบ้านคนละคันเลยเขาเล่นไปกรรบวนการนีสงสัยว่าเขาเอาไปใช้บนถนนในบ้านสกอเร่สั่งก็ไปดูหารถทางด้วยมันใหญ่มากมันจะเล็กน้อยนะโอ้ยรถรถมัเข้าท่ามั้ยนะก็ไม่ใช่เข้าท่าเข้าที่ไอเข้าท่ามันเรือ เลื่อนจอ่ทีิท่าขอกงจอดท่านะไอ้รถมันเข้าที่ไปจอดที่ ท, ทาไม่ได้ไ<ช>อ้อ่าออาไม่ไที่ที่ไม่ไ่าเนาะการั บ, <c oughs> รบยั ง, ย ง, ยงจะได้รหรือเหล่าหรือว่าคุณนั่งพูดครับคือ ค, อคอนีครับมีมีค น, นก็จะถวายเป็นแบบร่วม อ, อะไรอะไรธรรมทานอะไรชื่ว เ, เทสทับอะไรเงี้ยเออร่วมมานาเป็นอะไรนะเป็นธรรมทานอะไรธรรไทยธรรมานนี้ใช่อ่า แล้วก็หลวงพ่อก็ไปจัดการใช้นี่ใช้ศิลเงี้ไอ้ศิลไม่ตองใช้เทวดากรใช้เป็นนี่ข่าปากปากตกตกลงก็ได้นะฮะอ่าสัพพทานนงทำมณานางกินนาติการใช้นี่หลวงพ่อเป็นมหาบุตศลอย่างยิ่งไดูให้กนะผสมนะก็ไม่มีใครเป็นนี่ฉันนะ่าสัพพทานนางทำมณฑนางทำมทานางกินนาติการให้ทำเป็นทานยมภพันของเตืง โอสงสัยจะบาลีพลว a ตพลวัตใช่แล้วแล้วตาข้าตาข่าสูงก็คือยุบบาทหน่อยด้ยนะอะไรอะไรอะไรอะไรเ้ขไปใหญ่ให่ะแล้วก็ออกตาสามเลนสี่เลนเลยจได้ไหวองเข้าเลนกลางลกันนะถ้าเรยใจไม่ถึงไม่ได้เดือดดดาตามเย้วเกืดกันแวก็าที่เดืนเดือนไายในวัดผมก็ดีนะ เรื่องที่ดูแลเป็นกระดาษตามใจช อ, อบใใอะไรอย